พระตรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สิเอ็ดสุตตันตปิฎกอังกุตระนิกายจตุกกะนิบาตทุติยปัญ น, นาตหมวดห้าสิบที่สองในหมวดใหญ่นี้แบ่งออกเป็นห้าวรั ก, กละประมาณสิบสูตรเช่นเคยวรที่หนึ่งชื่อปุญญาพิสันทวักว่าด้วยความไหลามาแห่งบุญวรที่สองชื่อปัตตกรร ม, มวักว่าด้วยกรรม หรือการกระทำอันสมควรวักที่สามชื่ออปันนกวักว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิดวักที่สีชื่อมัจจลวักว่าด้วยสมณะผู้ไม่หวั่นไหววัคที่หชื่ออสูรวักว่าด้วยอสูรวักที่หนึ่งชื่อปุญญาพิสันทวักว่าด้วยความไหลามาแห่งบุญ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 ตรัสแสดงธรรมแก่ขรหบดีครหาปตานีผู้เดินทางระหว่างเมืองมัทุรากับเมืองเวรัญชาเรื่องการอยู่ร่วมกันสี่อย่างคือหนึ่งศพอยู่ร่วมกับศพได้แก่สามีและภริยาทุศีนมีธรรมะอันเลวด้วยกัน 2. สศพอยู่ร่วมกับเทพีได้แก่สามีทุศีนแต่ภริยามีศีลธรรม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 รวมฝ่ายละสิบที่เรียกว่าอาุศุลกรรมบทและอุสลกรรมบทเป็นฝ่ายชั่วและฝ่ายดีตรัสแสดงธรรมแก่บิดาและมารดาของนกุลมานพผู้มีความปรารถนาจะเห็นกันทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือปรารถนาจะได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งเสด็จประทับนนนิคมชื่อปัชเนละแห่งโกลิยากษัตร์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 สุขเกิดจากการมีทรัพย์สสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สสุขจากการไม่เป็นหนี้สสุขจากการงานที่ไม่มีโทษตรัสว่าสกุลที่บูชามารดาบิดาในเรือนของตนชื่อว่ามีลมมีบูรพาจารย์มีบูรพ า, า, าเทพคือเทวดาผู้เป็นต้นเดิมมีผู้กวนของคำนับ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 2. ถือเสียงเป็นประมาณเลื่มใสในเสียง 3. ถือความปอนคือความเศร้าหมองเป็นประมาณเลื่มใสในความปอน4ถือธรรมะเป็นประมาณเลื่มใสในธรรมะทรงสแสดงบุคคลสี่ประเภทคือผู้มีราคะโทสะโมหะมานะหรือความถือตัว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 เพียรทำความดีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วตรัสแสดงว่าในสมัยใดพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมในสมัยนั้นข้าราชการรามคฤหบดีชาวนิคมชนบทก็ปล่อยไม่ตั้งอยู่ในธรรมด้วยพระจันทร์พระอาทิตย์ดาวฤกษ์กลางคืนกลางวันฤดูเป็นต้นก็แปรปรวนได้ด้วย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 ก็อยู่เป็นสุขเปรียบเหมือนโคหัวหน้าฝูงเมื่อข้ามน้ำว่ายไปกดเขี้ยวโคทั้งปวงก็ว่ายน้ำคดไปตามถ้าไปตรงโคทั้งปวงก็ว่ายน้ำไปตรงวักที่สามชื่ออปันนกวักว่าด้วยข้อปฏิบัติไม่ผิด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 พระเสขะหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ยังต้องศึกษาสองสมณะดอกบัวขาวได้แก่ภิกษุผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเป็นพระอระหันต์แต่ไม่ได้ถูกต้องวิโมกแปรด้วยนามกายสามสมณะดอกปทุมคือบัวหลวงได้แก่ภิกษุ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 ปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะแล้วทรงแสดงสมณะสี่ประเภทตามชื่อเดิมอีกต่างแต่คำอธิบายตามลำดับข้อคือพระโสดาบันพระสกัทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อีกปริยายหนึ่งได้แก่อิสุผู้มีมักแปดผู้มีสมมันตะสิบแต่ไม่ได้ถูกต้องวิโมกแปดด้วยนา ม, มากายผู้มีสมมันตะสิบ ทั้งได้ถูกต้องวิโมกษแปดด้วยนามกายผู้ไม่มีความมักมากในปัจใจสี่และอีกในหนึ่งทรงแสดงสมณะสี่ประเภทตามชื่อเดิมดังกล่าวข้างต้นว่าได้แก่ภิกษุผู้เป็นพระเสขะผู้เห็นความเกิดความดับในขันห้าแต่ไม่ได้ถูกต้องวิโมก8ด้วยนามกายผู้เห็นความเกิดความดับในขันห้าทั้งได้ถูกต้องวิโมกษแปดด้วยนามกาย และผู้ไม่มักมในปั จ, จัจสี่วัต์ที่หชื่ออสุรวัตรว่าด้วยอสูรตรัสแสดงอสูรสี่ประเภทคือหนึ่งอสูรที่มีอสูรเป็นบริวารได้แก่บุคคลผู้ทุศีลมีบาป ร, รม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 รดแสดงบุคคลสี่ประเภทคือ 1. ผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเปรียบเหมือนดุนปืนถูกไฟไหม้สองข้างตรงกลางก็เปื้อนอุดจระช้ประโยชน์ของไม้ในบ้านก็ไม่ได้ในป่าก็ไม่ได้ 2. ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นไม่เพื่อประโยชน์ตนอย่างดีกว่าข้อแรก 3. ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน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 คือชักชวนผู้อื่นให้เว้นจาัด ก, การล่วงละเมิดศีลห้าแม้ในในหลังนี้การที่ตนอยู่ในศีลธรรมก่อนผู้อื่นก็ยังนับว่าสูงกว่าการดีจต่ชวนให้ผู้อื่นอยู่ในศีลธรรมแต่ตนเองล่วงละเมิดตรัสแสดงบุคคลสี่ประเภทแก่ปตตลิยะบริภาชก ค, คือหนึ่งผู้ติคนที่กวนติ แต่ไม่ชมคนที่ควรชมสองชมคนที่ควรชมแต่ไม่ติคนที่ควรติสมไม่ติคนที่ควรติไม่ชมคนที่ควรชมสติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมทั้งสี่ประเภทนี้มีข้อแม้อยู่ว่าเป็นไปนโดยกาละละติชมตามความจริง